นาปฏิวานพิชฌณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ8ด 1. นพิชฌณีทำภาพน้ำได้ขนาด2พิชฌณีทำภาพน้ำหย่อนกว่าขนาด 3. พิกษณีได้ภาพน้ำที่ผูนทำไว้เกินขนาดมาตัดให้ได้ขนาดแล้วใช้สอย 4. พิชฌณีทำเป็นเพดานผ้า ป, ปูพื้นผ้าม่านผ้าปเปลือกฟูกหรือหมอน5พิชฌณีวิกลชนิต6พิชฌณีต้นบัญญัติ สิ่ค้าบทที่สองจบ